ปัดสรรเสริญพระอน์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอานนุ์เป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายอานน์มีปัญญามาก ที่เข้าใจความหมายที่เรากล่าวย่อๆได้อย่างพิสดารเธอทําผ้ากุศิกบ้างทําผ้าอันทกุศิบ้างทําผ้ามนทนบ้างทําผ้าอัฏฐมนทนบ้างทําผ้าวิวัตะบ้างทําผ้าอนุวิวัตะบ้างทําผ้าคีวิยกะบ้างทําผ้าชังไกยกะบ้าง ทำผ้าพาหันตะบ้างจีวรเป็นผ้าที่ต้องตัดเศร้าหมองเพราะสัตราเหมาะแก่สมณะและพวกโจรไม่ต้องการภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังคาติตัดอุตราสงตัดและอันตรวาศตัด